เป้าหมายของการปฏิบัติธรรมหรือการเจริญสติเนี่ยเป้าหมายสูงสุดก็คือความพ้นทุกข์อันนี้คือเป้าหมายสำคัญทุกชีวิตจะต้องทาตรงนี้เพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยยังมีความทุกข์อยู่แต่ว่าก่อนที่จะปฏิบัติธรรมก่อนที่จะเจริญสติเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจากเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติซึ่งบางคนอาจจะปฏิบัติมามากแล้ว ที่อาจจะเทียบเคียงไม่ได้ว่าเราทําถูกต้องหรือเปล่าหรืออาจจะเพิ่งเริ่มต้นเรืออาจจะกําลังฝึกฝนอยู่ในชีวิตประจําวันอันนี้ก็ทดสอบดูได้ว่าเราทําถูกต้องหรือเปล่าความถูกต้องนี่แหละตัวเป็นสิ่งสําคัญมากถ้าเราเริ่มต้นผิดแล้วก็ก็จะทําผิดไปตลอดสายม่เหมือนกับติดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดเดียวเท่านั้นเองอ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 เรามีไหมแล้วก็อีกคำหนึงคำว่าตัวตัวนี่เป็นเรื่องของกายกับกจิตเนี่ยเป็นตัวยังไงสองอย่างเนี่ยเพราะนั้นการทำความรู้สึกตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องของสติกับกายกับกจิตเท่านั้นแ่ะถ้าเรามีความรู้ตัวมีกายมีจิตมีปัจจุบันแปลว่าเราได้ทำถูกต้องแล้วปัจจุบันก็คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้า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 ให้แค่รู้เฉยๆเวทนาจะหายหรือไม่หายนั้นต้องแล้วแต่เขาแล้วแต่เวทนาอันนี้ใจเราจะเป็นกลางกลางรู้แบบไม่มีอคติมันหายไปก็รู้มันไม่หายเราก็รู้อันนี้ถืาว่าเราจรรสติเป็นละ่ะเพราะว่าอย่างนี้ละ่ะที่เราควรจะฝึกเอาไว้เราจะเห็นว่า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 แสดงว่าเรายังทําไม่ถูกต้องเรายังมีความอยากแอบแฝงอยู่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่สังเกต ด, ดูใจเราได้ทุกครั้งที่ใจเรามีความทุกข์ที่ใจเรามีปัญหาเนี่ยแสดงว่าเรามีความต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากเห้าเป็นอย่างนี้อยากให้ได้แรงใจเร า, าเช่นว่าเราอยากให้เขาเป็นคนดีไม่อยากให้เขาทําอย่างนั้น อันนี้เป็นความอยากเป็นความอยากที่ดีนะคือปรารถนาดีอันนั้นถูกต้องแล้วแต่มันผิดอยู่ที่ว่าเรามีความยึดมั่นถือมั่นว่าเขาจะต้องเป็นไปอย่างที่เราอยากเราไม่ได้ดูใจเราใช่ไหมต้องการให้เขาเป็นไปใจเราอยากเรายึดติดในความรู้สึกแบบเนี้ใจเราจึงเป็นทุกข์ทุกครั้งที่เรามีความทุกข์เนี่ยจะต้องมีความอยากแล้วก็มีความยึดมั่นถือมั่น จะต้องเป็นไปตามที่เราอยากนี่เรามันจึะเป็นความทุกข์ภายในจิตใจของเราซึ่งสิ่งที่เราต้องการปรารถนานั้นอันนั้นดีแล้วแต่ว่าผลผลนั้นไม่จะเป็นจะต้องได้อย่างใจที่เราปรารถนาเรารู้ตรงนี้แล้วก็เราปล่อยวางความยึดมั่นถือมันได้การเจริญสติก็เหมือนกันเมื่อเรารู้สึกตัวดูอยู่เนี่ยถ้าเราอยากให้มันสงบไม่อยากให้มันคิด อยากให้รู้ธรรมะอยากพ้นทุกข์เนี่ยตรงนี้หลักใจเรามันจะจะไม่ปกติละมันจะเป็นทุกข์เมื่อจากการปฏิบัติเพราะเรามีความยึดมั่นถือมั่นแอบแฝงอยู่ภายในใจิตใจใจจึงไม่ว่างไม่เบาเพราะฉะนั้นความทุกข์ก็ดีความยึดมั่นถือมั่นก็ดีอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นท่างนั้นนะแต่ว่า สติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเรื่องความสบายๆปลอดโปร่งเป็นเรื่องความปล่อยวางเพราะว่าเป็นเพียงแค่รู้เฉยสติแค่รู้เฉยอันนี้แนหะคือหลัสกสำคัญคือสติรู้เฉยไม่มีการต่อเติมหรือมีความเห็นอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้ความจําแค่สัมผัสรู้เฉยว่ากายเนี่ย เขาแสดงอาการอะไรออกมาเราก็รู้เป็นเรื่องของกายจิตหรือความคิดเขาแสดงอาการอะไรออกมาเนี่ยสติก็แค่รู้ในอาการของเขาทำหน้าที่แค่รู้เฉยๆแค่เพียงรู้เฉยๆนะทนผั้ฟังก็มีความปล่อยวางอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องไปคิดปล่อยวางแค่รู้เฉยๆก็เป็นการปล่อยวางในตัวส่วนปัญหาบางอย่างเนี่ยที่เราจะต้องไปแก้ไข จำเป็นต้องไปแก้ไขแล้วก็แก้ไขไปด้วยความรู้ตัวแต่ถ้าไม่จะเป็นเราก็ต้องปล่อยให้ผ่านไปถา้ามีการปล่อยวางในตัวความทุกเนี่ยมีสาเหตุจากความยึดมั่นผือมั่นแบกโลกแต่เรื่องของความสบายสะดวกสบายแล้วก็เป็นเรื่องของสติเป็นเรื่องความปล่อยวางการไปฏิบัติธรรม ท, ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมีความรู้สึกตัวนําหน้า และตามด้วยความปล่อยวาง